มีการจัดคอร์สสมาธิภาวนาให้กับผู้ต้องขังการทำสมาธิภาวนาก็เราให้เวลาไม่นานนะก็แค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็มีผู้ต้องขังหลายคนก็สนใจก็เลยเกิดกลุ่มภาวนาขึ้นคนสอนนี่ก็เป็นอนุศาสนาจารย์ ก็เ น, น้นเรื่องการเจริญสติให้มาเห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นรับรู้ความเป็นไปที่เกิดขึ้นกับกายและใจก็มีรับโทษคนหนึ่งเนี่ยพ อ, อเลิกภาวนาเสร็จเนี่ยแกก็มาพูดกับอนุศาสนาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์สอนสมาธิว่าเนี่ย ผมไม่เคยมีความโกรธเลยนะจู่ๆแกก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาตัวนักโทษคนนี้นี่ก็อายุประมาณ50นะก่อนที่จะนะติดคุกนี่ก็เป็น CEO เป็นผู้บริหารนะองค์กรธุรกิจก็เป็นคนที่ฉลาดมีความรู้แล้วก็ดูสุภาพเรียบร้อย เป็นที่เคารพของลูกน้องนะแต่ว่าจู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเกิดทะเลาะ ก, กับภรรยาก็จึงขั้นตบตีเลยนะโกรธมากนะตบตีภรรยาก็ร้องหนีผู้ชายคนนี้ก็ไล่ทำร้าย เรียกว่าความโกรธนี่มันทสลักทะลายข้ามาแต่ตัวหลังก็รู้ตัวนะก็ไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ยอมมอบตัวสารภาพนะว่าทำร้ายภรรยาบอกเนี่ยทำร้ายเขาเกือบตายเลยเนี่ย เนืแกก็สงสัยว่าฉันทำไปได้ยังไงเนี่ยฉันทำไปได้ยังไงเนี่ย น, นี้เป็นคำถามนะที่เก็สงสัยมาตลอดแต่แม้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะืแกก็ยังยืนยันนะว่าผมไม่เคยมีความโกรธเลยแบบนี้ก็มีนะทำร้ายภรรยานี่เกือบตายเนี่ยจนติดคุกเนี่ยก็ยัง กล้าที่จะพูดเต็มปากเต็มคำว่าเนี่ยผมไม่เคยมีความโกรธเลยนะพูดกับอาจารย์ที่สอนกรรมฐานอาจารย์แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ขาดคันว่าเนี่ยไม่โกรธได้ยังไงเนี่ยคุณทำร้ายเมียเกือบตายเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ทำอย่างนั้นนะไม่ต่อร้าต่อเฉียงด้วย แต่ก็แนะนําว่าให้คุณลองสังเกตดูใจของคุณนะลองสังเกตดูว่ามีความโกรธหรือเปล่าทั้งโทรทักก้นก็ฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นพราคิดมาตลอดเลยนะว่าเนี่ยฉันไม่มีความโกรธหรอกนี่ขนาดติดคู่พาทำํำร้ายภรรยาเนะี่ยก็ยังเชื่อเต็มที่เลยนะว่าฉันไม่เคยมีความโกรธ ก็หลังจากผ่านไปสองสามอาทิตย์นะแกก็ยอมรับนะกับอาจารย์นะว่าเนี่ยผมมีความโกรธแต่แทนที่จะเสียใจกกก็รู้สึกดีใจนะผมเห็นความโกรธเป็นครั้งแรกผู้อาชา์เนี่ผมเห็นความโกรธแล้ว ผ, นะผมเห็นความโกรธ เ, เป็นครั้งแรกเลยดีใจนะที่เห็นความโกรธดีใจเพราะอะไรเพราะว่า ได้ค้นพบตัวเองค้นพบสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธมาตลอดซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยการค้นพบว่าตัวเองเนี่ยมีความโกรธนี่มันเป็นข่าวร้ายนะเพราะเคยเชื่อว่าเนี่ยไม่มีความโกรธมาก่อนก็ ร, รู้สึกว่าฉันเป็นคนดี แต่พอเห็นความโกรธเนี่ยบางคนี่รู้สึกแย่เลยนะเมื่อกี้หลายคนเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ช้าบ้างละ่ะหรือว่าเป็นคนที่อมีความโกรธแค้นหรือว่ามีความเห็นแก่ตัวหลายคนรู้สึกแย่เลยนะว่าทำไมฉัน มีนิสัยเลวล้ายแบบนี้เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นเหมือนนักบุญเลยหรือเป็นแม่พระแต่ว่าพอมาทำกรรมฐานแล้วก็เห็นอารมณ์ไล่ไล่ของตัวนี้มันรู้สึกแย่เลยเหมือนกับว่าไอ้ตัวอัตตาเนี่ยมันถูก เ, เล่นงาน แต่ว่าสาหรับนักโทษคนนี้กับดีใจนะดีใจที่เห็นความโกรธของตัวเองเพราะนั่นคือการค้นพบตัวเองที่ไม่เคยพบมาก่อนจึงแม้ว่าจะเป็นการค้นพบตัวเองหรือได้เห็นสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่า ให้การที่จะเห็นอารมณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นในใจตัวเองมันไม่ใช่ว่าจะเห็นได้ง่ายนะโดยเฉพาะคนที่ติดดีฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยพอมีความโกรธเกิดขึ้นมันยอมรับไม่ได้ซึ่งนี่คงเป็นสิ่งที่เขาเป็นมาตลอด การที่เขาไม่ยอมรับตัวเองนี่มีความโกรธแล้วพยายามกดข่มความโกรธเอาไว้วันดีคืนดีมันก็ระเบิดออกมานะถึงขั้นทำร้ายภรรยาซึ่งเ ป, เ, ปเป็นเรื่องที่แย่มากนะไปทำร้ายเขาเนี่ยด้วยกำลังจงนก็ะั่งเขาเกือบตายเลย ในความโกรธเนี่ยากว่าไม่เห็นมันนะหรือว่าไม่ยอมรับเนี่ยพราะพยายามกดข่มมันเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมีชัยชนะเหนือมันนะที่จริงเนี่ยมันความโกรธมันฉลาดมันก็รู้จักหลบรู้จกักซุกซ่อนเวลาเรากดข่มมันมันก็หลบ นะแล้วมันก็รอเวลาเราเผลอธรรมชาติของอารมณ์อกุศลก็เป็นแบบนี้นะมันมันมีความฉลาดมันมีมันมีอาการคล้ายๆพวกนักรบจระยุทธ์นะพวกนักรบจระยุทธ์เนี่ยที่ อ่สู้รบในป่าเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีคำขวัญนะมึงมาฆ่ามุดมึงหยุดฆ่าแย่มึงแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าตามมันสลาดมากเลยนะอารมณ์อกุศลเจนความกดก็เป็นอย่างนี้แหละพอมึงมาฆ่ากมุดนะมึงมาไหมครว่าพอเราพยายามไปกดข่มมันมันก็หลบแต่พอเราเผลอ มึงหยุดค่าแย่พอเราเพลียเพล่องพรำ ม, มึงแย่ฆ่าตีเลยมึงหนีข่าตามเนะนี่ยมันเป็นกลอบายเหมือนกันนะของความโกรธเนี่ยแล้วมันก็พรางตัวนะว่าทำให้เราหลงเชื่อว่าจะไม่มีความโกรธหรอกนะอันนี้เป็นอุบายของความโกรธที่ทำให้เราประมาททำให้เรา เผลอมันไม่มีวิธีที่จะล่อหลอกเราได้ดีกว่าการที่ทำให้เราเหลงเชื่อว่ามันไม่มีอยู่ในใจของเราไอ้ตัวความโกรธหรือรวมไปถึงกิเลส ด, ด้วยอันนี้เป็นอุบายที่ทำให้เผลอทำให้ประมาทได้ง่ายและพอถึงเวลาที่มันจะ บกนะ่ะจะพังพรวดออกมานี่มันก็เล่นเล่นงานจงกรนะทั่งหมดเนื้อหมดตัวไปเลยอย่างผู้ชายคนนี้เนี่ยทำร้ายภรรยาจนปางตายเนี่ยตอนนั้นมันโกรธมันโกรธมากจกนกระทั่งลืมตัวไปหมดเลยตกอยู่ในอำนาจของมันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่าจะรู้ตัวก็ติดคุกไปซะแล้วแม้นะกันนั่นง ปากแข็งนะว่าเนี่ยผมไม่มีความโกรธหรอกแต่ก็ดีนะเพราะว่าพอเขาได้เจริญสติได้ทำสมาธิภาวนาเนี่ยมันก็ทำให้เห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจแล้วเขาก็เรียกว่ากล้าพอที่จะยอมรับซึ่งตรงนี้เราต้องอาศัยความซื่อตรงนะการภาวนาเนี่ย นอกจากใช้ความขยันหมั่นเพียรมันต้องมีความซื่อตรงด้วยซื่อตรงคือยอมรับตัวเองยอมรับว่ามันมีกิเลสมันมีด้านรบด้านมืดอยู่ในใจของเรานักภาวนาหลายคนนักปฏิหลายคนเนี่ยไม่มีความซื่อตรงไม่ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสมี ความเป็นแก่ตัวนะมีความโลภมีความอิจฉาก็เลยยังหลงเชื่อันเป็นคนดีหรือว่าประเสริฐเท่านั้นไม่พอยังเชื่อตัวเองดีกว่าคนอื่นด้วยแต่คนที่เขาซื่อตรงตับตัวเองเนี่ยและกล้ายอมรับว่ามีความความไม่ดีในใจเนี่ย เขาจะยิ่งกลายเป็นคนถ่อมตัวนะถ่อมตัวเอ้ฉันก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าคนอื่นเท่าไหร่คนเราจะดูว่ามีความปฏิบัติมีการปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่นี่กด็ดูตรงนี้ด้วยว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยถ่อมตัวมากขึ้นหรือรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้วิเศษไปกว่าคนอื่นหรือปฏิบัติแล้วเนี่ยยิ่งยกตนข่มท่านฉันนี่เหนือกว่าคนอื่นฉันนี่ประเสริฐกว่าคนอื่น ถ้าคิดแบบนี้อ่ะมันก็แสดงว่ายังยังไม่มีความซื่อตรงต่ตัวเองเพียงพอหรือว่าไม่มีความกล้าแต่กวิาชายคนนี้นี่นะเออแกพอเห็นความโกรธนี่แทนที่จะเสียใจนะโอ้หไมฉันมีนิสัยแบบนี้กับดีใจนะเพราะว่ามันได้เป็นมันคือการค้นพบตัวเองที่สำคัญเลยแต่ตอนหลังเขาก็พูดในวันี่ยถือแม้ว่าเขาสูญเสียทุกอย่างนะ สูญเสียทุกอย่างเลยเพราะว่าการติดคุกทำให้สูญเสียหมดเลยนะสูญเสียสถานะสูญเสียเสรีภาพสูญเสียชื่อเสียงหรืออจะสูญเสียครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยคือการได้รู้จักตัวเองและทำให้เขามีความสุขมากนะถือว่ามันเป็นสิ่งคุ้มค่ามากนะในการภาวนาเนี่ย ที่สำคัญคือมันไม่ใช่ความสงบนะสิ่งสำคัญเนี่ยที่มันยี่กั่ความสงบนะที่มีค่าเยนอความโศกก็คือการที่เราได้เห็นนะอารมณ์เห็นความคิดที่มันผุดขึ้นมาแล้วตรงนี้แหละนะมันจะทำให้เราสามารถที่จะ เป็นอิสระจากความคิดและอารมณ์แทนที่จะตกเป็น่ายของมันถูกความคิดดึงไปหลอกล่อหรือว่าถูกอารมณ์ครอบงาบงการจิตใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอิสระจากมันหรือเป็นนายเหนือมันได้ความคิดเนี่ยมันหากว่าเราไม่รู้ทันมันนะ มันก็เป็นนายเหนือเราแต่ถ้าเรารู้ทันนะเราก็เป็นนายมันความคิดเนี่ยมันเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวนะคนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหรนะ่ความคิดเนี่ยเป็นบาวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวมันเป็นบาวที่ดีถ้าเรารู้จักใช้มันใช้มันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไ่ใช่เป็นปัญหาเรื่องชีวิตปัญหาเรื่องทำรรมาหากินหรือแม้กระทั่งปัญหาในทางธรรมความคิดเนี่ยถ้าเราถ้าเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันมีประโยชน์แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นนายเรานี่เราแย่เลยมันก็มืนกัเงินนะั่นนะเงินเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลว คนที่รู้จักใช้เงินเนี่ยเขาก็สามารถสร้างความสุขและประโยชน์สุขให้กับตนเองและกับส่วนรวมได้แต่ถ้าหากว่าปล่อยให้มันเป็นนายเราเนี่โอ้มันพาเราเข้ารกเข้าพงเลยมันทำให้ชื่อเราตกต่ำย่แย่ต้องผิดศีลผิดธรรมคอร์รัปชันหรือบางทีก็ทำร้ายคนที่เรารัก บางคนนี้งกับฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อจะได้ฮุบเอาสมบัติหรือบางทีก็ฆ่าพี่น้องเพื่อจะได้ฮุบเอามารดกจากพ่อแม่ว่ามันเสียหายมากมายเลยนะที่เป็นข่าวมากมายเพราะคนเราเนี่ยยอมตกเป็นทาสของเงินแต่ถ้ารู้จักใช้เงินนะเงินก็กลายเป็นบ่าวที่ดีเหมือนกับหลวงพ่อครูเนี่ท่านบอกนี่ กูใช้เงินเนี่ยแบบไม่มีความเมตตาเลยใช้คนเนี่ยกูยังมีเมตตาให้หยุดเสาวธอาทิตย์บ้างนะแต่ใช้เงินกูไม่มีเมตตาเลยเสาร์อาทิตย์กูก็ใช้คือแจกนะแจกให้คนที่เขาเดือดร้อนไม่มีวันหยุดเลยกูใช้เงินเนี่ยเพราะว่ากูเป็นนายมันนะกูไม่ได้เป็นข้าทาสของมัน กูเลยใช้มันอย่างไม่มีเมตตาไอ้ความคิดก็เหมือนกันนะอารมณ์ก็เหมือนกันมันเป็นโดวยว่าความคิดเนี่ยเป็นบ่าวที่ดีเป็นนายที่เร็วถ้าเราไปมันเป็นนายเมื่อไหร่นี่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับนะเราต้องไปทะเลาะบบาแวงกับผู้คนเพราะว่าเขาคิดไม่เหมือนเราเขาคิดต่างจากเราหรือคิดต่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวของเรา บางทีก็ฆ่ากันนะเพราะความคิดที่ต่างกันฆ่าเพื่อปกป้องความคิดที่อยู่ในหัวของเราฆนะ่าคนอื่นเพราะเขาคิดต่างจากสิ่งที่อยู่ในหัวของเราเนะี่ยนี่เกิดขึ้นไปทั่วฆนะ่ากันในนามของอุดมการทางการเมืองฆ่ากันในนามของอุดมการทางเศรษฐกิจหรือเพื่อปกป้องศาสนาตามความเชื่อของตัว หรือฆ่าคนเพื่อพิทักความถูกต้องตามความคิดของตัวอย่างที่เรียกว่าทำชั่วเพื่อพิทักความถูกต้องเนี่ยอันนี้ก็ทำไปเพราะความคิดแต่ถ้าเรารู้ทันความคิดนะโอ้มันจะมันจะหลอกให้เราทำชั่วเนี่ยได้ยากอารมณ์ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้ทันอารมณ์เนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสของมัน ปล่อยให้มันบงการไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าเวลาเศร้านี่มันก็จะไอความเศร้ามันก็จะหล่อให้เราเศร้าไปเรื่อยๆมันจะสรรหายเหตุผลมากมายว่าเราควรเศร้าเพราะถ้าเราไม่เศร้าแสดงว่าเราไม่รักเขาถ้าเรารักเขาเราต้องเศร้าต้องเศร้าไปเรื่อยๆนะถ้าหายเศร้าเหมือนเดิก็ไม่รักเขาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพ่อแม่หรือลูก มันก็หลอกให้เราจมอยู่ในความเศร้าดำดิ่งในความเศร้าจนกระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยหรือความกลัวก็เหมือนกันมันก็จะหลอกมันจะล่อสร้างให้เราให้หราโกรธนะเพื่อความถูกต้องเพื่อเพื่อจะได้สั่งสอนมันไม่ให้มันทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่โกรธเดืยวต้องจัดการด้วยความห่วงความใ ย, ยก็เหมือนกันนะ พ่อห่วงยายลูกนี่ต้องต้องคิดถึงลูกตลอดเวลาจนนอนไม่หลับมีครูคนหนึ่งนะแกก็มาปฏิบัติกับหลวงพ่อคำเขียนตอนหลังเนี่ยก็ก็รู้นะรู้วิธีการละการวางก็ทำให้เวลานอนเนี่ยก็นอนหลับได้ง่ายส่วนภรรยานเนี่ยนะนอนไม่ค่อยหลับพอห่วงลูกลูกไปเรียนที่กรุงเทพ ตวงนอนไม่หลับไม่พอนะยังไม่พอใจสามีด้วยว่าทําไมสามีเนี่ยไม่ห่วงลูกยังไงนะทำไมนอนหลับได้ดีเหลือเกินถ้าห่วงลูกก็ต้องนะต้องคิดถึงลูกสินะทาไมไม่ห่วงลูกหรือไงเนี่ย สามีก็บอกว่านีก็จะห่วงไปทำไมเพราะตอนนี้เป็นเวลานอนเราห่วงเขามันก็ช่วยแร้คก็ไม่ได้และที่จริงเนี่ยก็าอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่ให้ที่น่าห่วงก็ได้แต่ความห่วงเนี่ยนะมันคลองใจตัวผู้เป็นแม่เนี่ยมันก็เลยพยายามนะยัว่วพยายามหลอกให้ คิดถึงลูกไปเรื่อยๆแม่ถึงแม่เป็นเวลานอนก็ก็ไม่ควรจะนอนต้องคิดถึงลูกห่วงลูกพราะถ้าเกิดว่าปล่อยวางไม่ห่วงลูกมัาหลายนะไอ้ความห่วงก็จะสูญสลายหายไปซึ่งมันทนไม่ได้มันต้องการอยู่ครองใจเราไปนานๆก็ต้องเลยก็เลยต้องหาเหตุผลหาข้ออ้างให้เราเนี่ยนะถ้าไม่ห่วงลูกแสดงว่าไม่รักลูก นอนแล้วเนี่ยก็ยังนอนไม่ได้ต้องคิดถึงลูกต่อไปเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยยังรักลูกอยู่แต่คนที่เป็นพ่อเนี่ยนะเขาก็รักลูกเหมือนกันนะแต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาห่วงมันเป็นเวลานอนก็รู้จักพักรู้จักหลับเนี่ยพวกเราถ้าไม่รู้ทันความคิดนะไม่รู้ทันอารมณ์เนี่ก็มันก็สามารถจะสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้ และสิ่งที่ต้องการคือความสงบเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยการภาวนาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาแต่ความสงบสงบที่เขาเข้าใจคือไม่คิดอะไรนะแล้วก็ไปห้ามความคิดหรือไปกดขม่มอารมณ์ด้วยมันมีความคิดก็กดมนันเอาไว้มันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็กดมนันเอาไว้ก็คิดว่าเนี่ยจะทําให้ตัวเองสงบ แต่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีกว่าคือการเห็นเห็นความที่ละอารมณ์ซึ่งจะเห็นหรือรู้ทันมันได้เนี่ยก็ต้องยอมให้มันเกิดขึ้นเอาเนี้อให้มันเกิดขึ้นไม่กดข่มมันใหม่ๆก็ไม่เห็นนะใหม่ๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นทีไรก็มันก็คลองใจเราทันทีเรียกว่าเข้าไปเป็นแต่ต่อไปเนี่ยเราฝึกการเห็นบ่อยๆฝึกเห็นบ่อยๆ มันก็จะเห็นได้เร็วขึ้นแล้วมันก็จะเข้าไปเป็นน้อยลงพอเห็นเมืนะ่อไหร่นะมันก็จะคองใจเราไม่ได้แล้วเนี่ยคือการค้นพบที่สำคัญเลยเพราะมันหมายถึงการที่เราสามารถจะเป็นสละจากความคิดและอารมณ์ได้อ๋อยัน น, ยนนี่นะพ้ทอรณีนะกระ